ของอยู่ของกินแขกเอะเต็มตลาดตะลี่แม่ว่าโอแขกมันอดตายด้วยน่อยู่เน่กินเขาหลายปอนเนี่เอาว่าจะแขกไม่แขกทุกยากว่แมนเขียวเต็มทงเต็มทาเน่อยู่เน่กิน <c oughs> าอาหารกายร่นเหลือแต่ว่าอาหารใจธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้ากับอุบาติเกิดเมืองอินเดียประเทศอินเดียสอนธรรมะมันก็มีเหตุมันก็มีเหตุหตสอนท่านทำไมจึงสอนเรื่องท่าน พ่อมันบอคายห้ท่านกันมันบอครยหาอาให้กันเห็นแก่ตัวเอาไปแ ก, ก่อ้ของแ ก, ก่ที่สุดขนาดเป็นพ่อข้านั่งขายของอยู่กันแลนมารับเขาขึ้นกันผู้ดใดน้อยเ น, นี่ยบใครยได้ท่านผูใกก้ใหญ่แก่ไห้ผู้น้อย แ, แ, ยแล้วผู้ใหญ่ก็แยงเราญาติเรา เรื่องท่มามะาเนี่ยมันเป็นเรื่องเขี่ยวกับกายครับใจคับว่าใจใจกุศลกุศลอกุศลเกิดจากใจซะกันความเสียสละที่จะให้ที่จะแจกจะแบ่งออกจากใจซะกันอันบอกอันบมีอยู่ใจแหละบอเกิดที่ใจแล้ว ว่าเป็นท ร, รมเพราะฉะนั้นใจเป็นมหาเหตุสิ่งที่จะทํำให้ใจสบายก็คือทรรมะถ้าเรื่องกิเลสเรื่องว่าเป็นรรำกทํำให้ใจนี่เป็นผู้รับลูกที่ไม่สบายทั ง, งทัำเที่ ความสบายหรือไม่สบายก็ไม่ใช่ใจแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งกระเทือนเหมือนกับไฟไฟเป็นของร้อนถ้าห้าอยุกไกไฟมันกระรูซื้อว่าร้อนถ้าอยู่ห้างจากไฟพลังควาอมร้อนก็โมมี่นะไรก็เหมือนกันพลังควาอมร้อนเกิดสุขเกิดทุ ก, กเกิดยุ่ใจ ได้ใจว่าเป็นผู้สุขว่าเป็นผู้ทุกข์แต่หากรลบลูกเรื่องสุขหือทุกข์ เ, เกิดยุ่ใจประสัญการทำบุญทำท่านการปฏิบัติต้อคิดต้อใ จ, ใจเจริญอมวิหารสีเมตตาเมตตาปาัถนาให้เป็นสุข ทุกตัวทนคนซัดแต่ถ้าเมตตาเ่าเป็นก็จะเป็นทุกข์อีกว่ะคำว่าเมตตาเมตตาเป็นความรักใครเป็นความรักใครอเป็นความรักอะทีนี้เมตตาโดยประกอบด้วยปัญญาเลยจะเป็นทุกข์เจ้าของเพราะฉะนั้นประกอบด้วยปัญญาเมตตาภาถนาเป็นสุขก็รู้หน่า เย็นดูสงสารมุทิตาพาอยินดีอุเบกขาทํำใจเป็นกลางกลางทํำสียางเนี่เป็นเหตุที่จะให้ภูมีเมตตาแล้วก็จะมีความสุขโดยเมตตาขันธรรมดาธรรมชาติเมตตาเมตาจิตเมตตาเมือ่อพิจารณาถึงเขาถึงเล่า ว่า ม, มีผู้ใดต้องการความทุกข์ต้องการแตความสุขกันทั้งสิ้นเมื่อมันเข้าถึงจิตถึงใจเป็นเมตตาภาถนาให้เป็นสุขและก็ต้องมีปัญญาอีกถ้ามันถา้าปัญญาว่ามี่มี่แต่จะไปเมตตาเมตตาเมตตาตามสมมุติอีกจะให้สมมุติเป็นไปะธรมเมตตา เรืจะเป็นทุกข์จะของอเพราะว่าเพราะมีอุเบกขาเมตตาเพระมีอุเบกขาเพราะฉะนั้นเมตตาคนหน้ามุติมุติตาเบิกขาต้องต้องทํางานไปด้วยกันมันจึงเป็นมันจึงเป็นสุขมันจึงไ่เป็นทุกข์อุตส่าห์ศาสนาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเมตตา ตอนเหตุผลที่นี่ความจิตใจที่ความรู้ๆถ้ามันบ่รู้ด้วยเหตุและผลมันก็จะกลายเป็นอุปทานความยึดมันถือมันถือเนเหตุในผลเลยยึดเอาเหตุและผลมาเป็นตัวเป็นตนอีกบ่ได้เข้าใจเนี่ยเหตุและผล ละว่างเหตุและผลใจเป็นมหาเหตุจึงว่าปฏิบัติใจให้ท่านเพื่อให้ใจมีความสุขสังวรรักษาอินซีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อให้ใจมีความสุข วนันหน้ารู้ความเกิดและความดับตามความเป็นจริงคือให้ใจเป็นทุกข์เนี่ยเมื่อปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นศีลที่ใจเป็นสมาธิที่ใจเป็นปัญญาที่จิตใจรูล้ละรู้ว่างใจก็สบายได้เนี่ยทีนี้รับพ่อน